พพากันตั้งใจใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นของชีวิตเราอยากมีความสุขก็ต้องตกแต่งใจดวงนี้ให้มันดีผู้ใดไม่ตกแต่งจิตใจดวงนี้ให้ดีก็หาความสุขไม่ได้เลย ไ, ไอาความสุขกับร่างกายเชนนมที่ไหนมันจะได้ล่ะร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงเราประกอบกับคนที่เกิดมาในยุคนี้ในสมัยนี้เป็นผู้มีกรรมมากมีอายุสั้นคนมีอายุสั้นนี่ มันย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบีย น, ยนอยู่มากไม่เช่นนั้นแล้วอายุมันก็ไม่สั้นมันก็ยืนยาวไปสมัยคนอายุยืนยาวนั้นมีโรคอยู่สามอย่างโรคหิวข้าวหิวน้ำโรคหิวหลับหิวนอนโรคปวดอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นแหละ อันอื่นไม่มีเพราะเหตุนั้นเพื่อนจึงอายุยืนยาวนานเป็นพันปีหมื่นปีแสนปีก็มีแต่คนในยุคนี้นะอายุแต่ข้างบุตเจ้าร้อยปีเป็นอายุไขเมื่อพระองค์ปรินิพานมาแล้วร้อยปีอายุของคนก็ลดลงปีเนึงหงโดยลำดับมาจนถึงปัจจุบันนี้ อายุคนก็ลดลงยี่สิบห้าปีแล้วในร้อยนะก็ เ, เหลืออยู่เจ็ดสิบห้าปีเท่านั้นเองเพราะเหตุนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันจึงค่อยเบียดเบียนดันั้นเราจะไว้ใจร่างกายอันนี้ไม่ได้เมื่อบุญกุศลยังช่วยเหลือเปิดโอกาสให้อยู่อย่างนี้นะ เราก็แตงรีบเร่งทำความเบียนฝึกใจของตนไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายนี่มันจะแตกกระดับไปเราสะสมบุญกุศลไว้ในใจให้เต็มที่เสียนี่ว่าเราสะสมบุญกุศลไห้เต็มความสามารถเลย ะจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นผู้มีบุญมากก็รู้ได้สิผู้ปฏิบัติยมรู้เองเห็นเองด้วยตนเองขึ้นมาจึงจะใช้ได้เป็นอย่างว่าแต่ก่อนเนี่เคยรักเคยใคร่กับใครต่อใครมามากมายจิตใจตกเป็นท่าของราคะตัณหาอย่างนี้นะ แต่เมื่อปฏิบัติทำไปโดยลำดับไม่ประมาทเริญอสุภะกรรมฐานบ่อยๆจิตมันค่อยๆคลายความกาหนัดยินดีนั้นลงความกาหนัดยินดีก็เบาบางลงไปแต่ก่อนเคยโกรธใครต่อใครใจดำอมหิตมาแต่ก่อน เมื่อมาปฏิบัติธรรมเจริญเมตตากรุณาให้มากๆเข้าไปความโกรธมันก็น้อยเบาบางลงนี่นะแต่ก่อนเคยหลงไหลเห็นผิดเป็นชอบต่างๆนั่นนาเคยเชื่อโชคชะตาราศีเคยเชื่อเคาะเข็นเอ็นต้องตามหมอดูหมอเดาต่างๆพูดไว้เมื่อมาภาวนาเห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมแล้ว ว่ารูปกายนี้กรรมเป็นเครื่องตกแต่งกรรมคือการกระทำที่ทนกระทาดีหรือทำชั่วมาแต่ก่อนมันติดตามมาตกแต่งรูปกายนี้ให้ดวงจิตได้อาศัยมันไม่ใช่มีอะไรมาตกแต่งให้ไม่ใช่มีเคาะมีเค้นมาแต่งให้เจ็บให้ป่วยให้สุขสบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเด็สุดตัดสรู้แจ้งแล้ว รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เนี่ยไม่หลงไหลไปตามรัตที่อันไม่มีเหตุผลเพียงพอนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้หายหลงหายเมาไปเยอะแย ะ, ะการที่เราประพฤติปฏิบัติทำมาโดยลำดับแล้วได้มาประเมินผลแห่งการปฏิบัติดูแล้วก็รู้สึกว่ากิเลสเบาบางลงอันนี้ น, นี่ มันก็ได้ความมั่นใจเลยฮะนี้เพราะคนเราเมื่อกิเลสเบาบางเท่าไรมันก็มีความสุขทางจิตใจมากเท่านั้นนะตัณหาก็ไม่รบกวนจิตใจเมื่อให้ใจนั้นอยากได้นู่นได้นี่เยื่อทยานไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสท่างงมันก็ไม่ไปอย่างนี้นะมันก็ไม่อยากไม่หิวอารมณ์เหล่านั้น มันก็เห็นผลได้สิการปฏิบัติแต่ถ้าว่าจิตใจ ย, ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มปฏิบัติทรมาจนถึงปัจจุบันนี้นิสัยใจคอเคยตกเป็นทาตแห่งกิเลสตนะดังกล่าวมานั้นก็ตกเป็นทาตของมันอยู่ไม่เบาวางก็รู้แต่ ถ้าเช่นนั้นเนี่ยผู้ผู้ใดเป็นเช่นนัน้นแสดงว่ามีความประมาทมากอย่าไม่ทำความเพียรขาดสติสัมปชัญญะทํ า, ทาความเพียรไม่ติดต่อกันอ่หลงเมาไปจนปล่อยให้กิเลสครอบความจิตหนาแน่นแลจึงค่อยรู้ตัวจังมัดทาความเพียรกําจัดกิเลส แล้วนั่นบางทีก็แพ้มันสู้กำลังของกิเลสไม่ไหวอันนี้เลาะเรียกว่าประมาทผู้ไม่ประมาดนั่นนะเป็นผู้มีสติสมรมะช ญ, ญารู้ตัวอยู่เสมอเสมออาการลืมตัวนะให้มีน้อยที่สุดเลยอย่างนี้เมื่อมันรู้ตัวอยู่เสมออย่างนี้มันก็ไม่สร้างกิเลสขึ้นในใจ มันก็ไม่สร้างบาปความชั่วทั้งหลายขึ้นในใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจสงบอยู่แล้วใจมีปัญญาอยู่แลวอย่างนี้อะไรอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้มูลเหตุที่จะให้เกิดกิเลสกิเลส จ, จ, จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางใจก็รู้เมื่อรู้แล้วก็ ไม่ยึดไม่ถือไว้แต่ละอย่างละอย่างเมือนก็ดับไปดับไปเท่านั้นเองบ่าเกิดของกิเลสก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่รู้เท่าอายตนะภายในหกก็ไม่รู้เท่าอายตนะภายนอกหกมีรูปเป็นต้นอันนี้แหละเป็นมูลเหตุที่ให้เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมา เพราะว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้วไม่รู้เท่ารูปนั่นมันก็หลงรักหลงชังในรูปนั่นอย่างนี้นะหูได้ยินเสียงจมูกได้สุกกลิ่นลิ้นได้รับรสอร่อยหรือไม่รอร่อยก็ดีกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วไม่รู้เท่าไม่พิจารณาให้ลงถึงความจริงนั่นมันก็หลงยินดีหลงยินร้ายไป ตามอารมณ์นั้นๆอย่างนี้แหละสาเหตุที่คนเรานะ่ะการปฏิบัติธรรมมันจะไม่ก้าวหน้าไปได้เกิดเพราะมันประมาทเป็นคราวๆไปปล่อยให้จิตหลงไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นพอแรงในะจึงรู้ตัวเนี่ยสำคัญมากนะให้ระวังให้ดี เมื่อเราได้ปฏิบัติจับต้นทางได้แล้วก็รักษาทางที่ถูกต้องนั้นไว้อย่าให้มันเติอมอย่าให้จิตใจมันออกนอกทางนั้นอ่า น, นี้นะก็เมื่อจิตใจเป็นกลางอยู่เสมอมีสติสมบัจญญะประคับประคองอยู่เนี่ยก็ชื่อว่าเดินถูกทางเป็นอย่างนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ล้วก็รักษาจิตที่เป็นกลางนั้นไว้เสมอเสมอไปอถ้ามันจะเผลอก็ให้มันเผลอน้อยที่สุดให้รู้ตัวเร็วที่สุดเออธรรมดาพูกมีกิเลสอยู่นี่จะไม่ให้เผลอตัวไม่ได้ดอกแต่ต้องให้มันเผลอน้อยหรือว่าสั้นที่สุดอย่าให้มันเผลอตัวไปยืดยาว รู้ตัวแล้วก็รีบสํารวมจิตใหม่แห่งความรู้สึกภายในนะั่นให้ปรากฏความรู้สึกนั่นแหละคือดวงจิตไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อสติย่างเข้าไปถึงความรู้สึก น, นั้นแล้วสตินั้นแหละไปประคับประคองความรู้สึกอั น, นันตไว้เรียกว่าพูดกันโดย ก, กรรมวิธีอย่างรูปรัศ เพื่อให้เข้าใจง่ายๆแม้เราเจริญกรรมฐานอื่นๆก็เพื่อรักษาจิตตรงนี้ไหลให้เป็นกลางพูดสั้นๆนะอย่างว่าอ้าวจิตมันรำเอียงไปโดยความรักแค่นี้นก็เมื่อเราพิจารณาถึงรูปเสียงกลิ่นรสที่หลงรักหลงใยนั่นน่ะมันสวยงามแค่ไหนจึงไปหลงรักเอาเสียเต็มที่ เมื่อมาเพ่งถึงความจริงของรูปกายทั้งของตัวเองและของคนอื่นหรือเพศตรงกันข้ามอย่างนี้มันก็ไม่แตกต่างกันเลยประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วก็มีความไม่เที่ยงเป็นลักษณะมีความไม่สวยไม่งามเป็นลักษณะ ดังนั้นนะความจริงมันมีอย่างไรเราก็ต้องเพ่งพิจารณาอย่างนั้นให้เห็นตามไปจริงอยู่เสมอเสมอไปไม่ใช่เห็นครั้งเดียวสองครั้งแล้วแล้วไปเลยไม่อย่างนั้นในเมื่อราคะตัณหาอันนี้มันยังไม่ขาดจากจิตใจโดยเด็ดขาดแล้วบุคคลยังนิ่งนอนใจไม่ได้ ต้องเจริญภาวนาแก้ไขกันอยู่ยงั้นแหละเมื่อเราเพ่งพิจารณาอตุภนิมิตปรากฏขึ้นแล้วจิตมันก็ค่อยคลายความรักไปทีละน้อยละน้อยไปเมื่อเจริญไปบ่อยๆเข้าราคาตัญหามันก็น้อยลงน้อยลงมันเป็นอย่างนั้นก็อินทรียังอ่อนอยู่เราจะมาละให้มันขาดเด็ดทีเดียว จึงจะเอาอย่างนี้มันไม่ได้เหมือนอย่างผลไม้เมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันจะสุขอย่างนี้นะเราจะไปบีบไปขั้นให้มันสุขให้มันมีรสหวานอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้อุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตใจนี่กับคุณธรรมของจริงอย่างที่ว่านั่นแหละ เราจะรวบรัทตัดตอนให้บรรลุให้หลุดให้พ้นไปได้เลยอย่างนี้มันไม่ได้หรือกิเลสอันดองอยู่ในใจิตใจเราจะมาละมันทีเดียวให้มันขาดเด็ดไปไม่ได้เพราะเหตุว่าการที่กิเลสมันจะหมดไปสิ้นไปได้ต้องอาศัยบุญบา ร, รมีถ้าบุญบา ร, รมีไม่เต็ม ก็หลุดพ้นไปไม่ได้กี่เลสก็ไม่เบาวางไปเหมือนกับโรคภัยอยู่ในร่างกายของคนเรานี่แหละถ้าหมอให้ยาอ่อนๆโรคมันมีกำลังมากมันก็ไม่หายเมื่อหมอให้ยาแรงๆขึ้นไปเช่นนี้ยานั้นมีกำลังเหนือโรค โรคก็จึงบรรเทาเบาบางไปฉันใดก็อย่างนั้นแหละเหตุต่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างซึ่งเป็นหน้าที่ของตนเป็นภิกษุสามเณรอยน่างนี้ก็ทำข้อวัดของภิกษุสามเณรให้เต็มที่ การกระทําข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั้นล้วนแต่เป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลยดังนั้นอย่าพากันเกียดครานเช่นไหวพระสวดมนต์โมนี่นะเก ล, ล้วนแต่เป็นบุญกุศลสั่งสมบุญกุศลทั้งนั้นแหละอย่าไปเข้าใจว่าเราไหวพระสวดมนต์เป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธพธรรมประสงค์เฉยๆนะเป็นบุญกุศลเพิ่มเติมของเก่าให้อีก มากขึ้นไปเรื่อยๆไปหรือเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิภาวนาให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนี่ความดีอื่นๆเช่นการทำความสะอาดในที่อยู่อาศัยในห้องน้ำห้องส้มในศาลาการประเรียนลานวัดอะไรหมู่นี้นะกระรวนจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้นทงนั้นเนี่ย ประวัติของพระนาคเษนเนี่ยนะแต่เมื่อท่านเป็นสมณี น, น้อยอาจารย์ใช้ให้คนขยะอยากเลือไปทิ้งท่านก็ขนไปเอาใส่ตะกร้าแนละ้วก็ไปเททิ้งในที่ควรเทมานี่บางทีมันก็เกิดเกียดคลานขึ้นมาก็มี อาจารย์บอกให้ทำก็ไม่ทำอาจารย์ก็เลยเอาไม่กวดไปตีเอาบ้างก็คงไม่รุนแรงเท่าไหร่หรอกสามอเนนแทนที่จะโกรธอาจารย์ก็คงจะไม่ใช่โกรธหรอกเอาขยะใส่ตะกร้าแล้วก็เดินไปแม่น้ำคงคา ไปเทขยะนั่นลงน้ำแล้วด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ทำความสะอาดวัดวาอารามนี่นะขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเกิดไปชาติใดพบใดก็ดีขอให้มีปัญญามีปฏิพันฑ์โมหันให้เอาชนะคนให้ได้ว่างั้นเข้าใจว่าเพื่อนคงจะปรารถนาว่า ให้มีปัญญาเหนือครูบาอาจารย์ไปอย่างนั้นมั้งความมุ่งหมายแต่อาจารย์ได้ฟังสัมมณีน้อยปรารถนาอย่างนั้นเอ อ, อ, เ อ, อสัมมณีน้อยปรารถนาขอให้ข้ า, ขาพเจ้ามีปัญญาเหมือนอย่างน้ํามหาอเหมือนอย่างแม่น้ําลําคลองไหลมาเทมา อ, อย่าได้ขาด ว่างั้นน ะ, ะผู้อาจารย์ได้ฟังนั้นก็ปรารถนาอะด้วยอํานาจที่ข้าพเจ้าปัดกวดรวัดวาอารามนี่ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเหมือนกับฝั่งน้ําำป้องกันน้ําไม่ให้ล้นฝั่งทันใดอขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเหนือคนผู้ใดถามอะไรมาขอจะให้จนให้ตอบได้ทั้งหมด มเมื่อต่างคนต่างร่วงลับไปสู่โลกหน้าอันผนักขเสนเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท่านก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดิงส่วนพญามิลินจะไปเกิดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าสมเด็จ น, น้อยนั่นนะ่ะได้มาเกิดใน เมืองป atra บุตรในครั้งนั้นน่ะหลังจากที่พระพุทธเจ้าสเสด็จดับขันเข้าถวะพระนิพพานมาแล้วในตำราไม่ได้กล่าวว่าได้กี่ปีสมาเณรน้อยองค์นั้นก็ไปเกิดในเมืองป atra บุตรเกิดในตระกูลกษัตริย์แล้วก็ได้คลองราชสมบัติแทนพระราชบิดาท่านสนใจในธรรมะ ท่านดูท่านเรียนธรรมะแล้วจําได้ได้ไม่ขัดข้องแล้วไปเที่ยวเมื่อได้เป็นพระราชามากษัตริย์แล้วก็เที่ยวไปโจดไปถามพระธรมะรมวตรารามสั่งท่านก็แก้ไม่ได้อย่างนี้เนี่ทั้งที่ท่านพระเหลนะ่านั้นก็เป็นพระอรหันต์ก็มีอรหรันต์นะท่านไม่แตกฐานในอริยธรรมท่านก็แก้ไม่ได้ พระอาหารหันต์ทั้งหลายจึงได้ชวนกันเหาะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดิงไปเชิญพญาอินไปช่วยเชื่อเชิญให้หนากเกษมในประบุตรลงมาเกิดในโลกนี้เพื่อที่จะมาทร ม, มานเอาพญามิรินนี่ให้หายพยศ เพราะว่าพระสง์องค์เจ้าเดือดร้อนมากไปเที่ยวถามเที่ยวคูไปเที่ยวดูมินเหยียดย้ำพระอยู่อย่างนั้นนาคาสันหน้าคาเซนเทพบุตรก็รับคำเชื่อเชิญของพญายินและพระสงค์งทั้งหลายในขนาดนั้น แล้วก็จุติลงมาเกิดเมื่อท่านมาเกิดก็เกิดในตระกูลพราห ม, มิฉาทิธิพ่อแม่ไม่นับถือพุทธศาสนาพระเถระผู้ใหญ่ได้พิจารณาเห็นและอย่างนั้นจึงได้ใช้ให้พระเถระองค์หนึ่งไปทรมานเอาตระกูลนั่นให้เลื่อมใสในพุทธศาสนา ท่านไปทรมานอยู่ถึงเจ็ดปีนักเกษมเกิดมาได้อายุเจ็ดปีพอดีพ่อแม่จึงได้เรื่อมใสในพศาสนาจึงได้นิมนต์ท่านไปฉันในบ้านเมื่อไปฉันในบ้านแล้วก็ได้แก้ปัญหาข้อข้องใจของนักเกษมกุ ม, มารนักเกษมกุ ม, มารนั่นเรียนความรู้ในรัฐิพราม ที่เรียกว่าไตรเพศนั้นจบแล้ววันนี้เมื่อพี่นาดูวิชาความรู้ที่เดียนนั้นไม่มีแกนสานอะไรเลยก็เห็นพระสาวกองคอราหันท่านเป็นผู้มีผิวพรรณวันละผ่องใสมีการสำรวมในอินทรีย์เป็นอย่างดีก็นึกเคลื่อมใสจึงได้ไทยถาม ความเป็นมาของบรรพชิตท่านก็แสดงให้ฟังเมื่อท่านแสดงให้ฟังแล้วอย่างนั้นขอถามปัญหาหน่วยท่านถามปัญหาพระเถระก็ตอบได้ทุกข้อไปเลยเช่นนั้นนารเสนกุ ม, มารจึงเลื่อมใสขอเรียนความรู้ด้วยพระเถระท่านก็บอกว่า เรียนไม่ได้ถ้าไม่บวชซะก่อนถ้าหนุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนขนผมโกนคิ้วเหมือนเราและอย่างนี้เราถึงจะสอนให้หนะเกษตกรลำรามรารดาบิดาไปกับพระเถระพระเถระก็พาไปบวชบวชแล้วท่านก็สอนพี่ทำให้จนจบ เมื่อเรียนได้ทำอภิธรรมได้แล้วก็เรียนพระสูตรท่านบำเพ็ญไปอยู่เจ็ดปีก็ได้สำเร็จอรหรันเมื่อสำเร็จอรหันแล้วก็เดินทางไปสู่เมืองสารคราครอันเป็นเมืองที่พญามดินอยู่ไปแล้วก็ไปโตวาทีกับพญามดิน พยามัยดินสู้ไม่ได้ก็ยอมเป็นลูกศิษย์เดื่อมใสเลยอยู่มาพยามัยดินก็ได้ออกบวชเมื่อบวชแล้วปฏิบัติไปในที่สุดท่านก็สําเร็จอรหัน์ดับขันเข้าสู่พรนิพพานไปทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์อันนี้แหละอานิสงส์แห่งการอทําข้อวัดปฏิบัติในวัดวาศาสานานี่นะ มันล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นช่วยอุดหนุนให้เกิดสติเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดสามารถละอสวกิเลสให้ขาดจากสันดานได้นั่นเป็นจุดหมายอันสําคัญที่การสั่งสมบุญกุศลเนี่ยเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเพื่ออะไรให้คิดอย่างนั้นเราสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้บุญกุศลนี่ กำจัดราคะโทสะโมหะมานะทิฐิอันนี้ให้ออกไปจากกิจใจถ้าบุคคลไม่ต้องอาศัยบุญกุศลแล้วก็ละอาศวะกิเลสได้อย่างนี้ใส่คนเราในโลกนี้มันก็เป็นผู้สิ้นกิเลสหมดแล้วลสินั่นแหละบางทีก็พระสอง์องค์เจ้ามาบวช นี่ก็มุ่งหวังว่าจะมาชำระ ก, กิเลสทันหาให้หมดไปสิ้นไปแต่เมื่อไม่สั่งสมบุญกุศลไม่ทำข้อวัดปฏิบัติให้สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะกำจัดอาสวักิเลสให้หมดสิ้นไปได้แถมก็ยังเอาสั่งสมบาปให้แก่ตัวเองซ้ํา บวชเข้ามาแล้วไม่ทำข้อวัดปฏิบัติเกียครคล้านเห็นได้แก่หับแก่นอนอย่างนี้นะเห็นได้แก่เพลิดเพลิน อ, อันเมื่อไปหากันไปคุยกันก็ไปคุยกันตั้งแต่เรื่องที่ยั่วให้เกิดราค่าโทสะโมหะขึ้นมาเช่นนี้และแม้ว่าผู้นั้นจะบวชอยู่นานปีสักเท่าไหร่ก็ละกิเลสไม่ได้ เพราะขาดการสำรวมปล่อยจิตให้เพลินไปตามอารมณ์ภายนอกให้หลงยินดีนร้ายไปตามอยู่อย่างนั้นเนี่ยแมื่อจะบวชอยู่หลายปีก็ละ ก, กิเลสไม่ได้ดังนั้นให้พากันเข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่ ภาวนาต้องอธิษฐานใจละความชั่วทั้งหลายที่เรากระทามาแต่ก่อนที่ได้ลุ่มหลงกระทํ ม, ทมาม่านอธิษฐานใจละเว้นเสมอเสมอต่อ น, นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนั้นอีกอจะสัมรวมระวังความชั่วต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นั่นแล้วจะไม่ทํามันอีกต่อไปแล้ว ด้วยอำนาจความสัตว์ความจริงนี่ขอให้คีเรบาปรธรรมจงเบาบางงับไปจากกิตใจของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วนั้นก็ต้องมีใช้อธิฐานะบา ร, รมีเข้าช่วย ถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันก็จะกลับไปทําชั่วอีกเพราะมันไม่เบื่อไม่นายไม่เห็นโทษแห่งความชั่วอืถ้าพิจารณาเห็นโทษแห่งความชั่วด้วยปัญญาตาใจจริงๆแล้วมันก็อธิษฐานใจละเว้นแหละบัด น, นี้นะอะ่เป็นงั้นดังนั้นให้พากันเข้าใจเราจะประมาทเอาไร ชีวิตนี้จะอยู่ไปได้นานเท่าไรคำนวณดูคนรุ่งวันนี้ยิงอายุสั้นพลันตายเร็วไม่อยู่ไปไม่กี่ปีกี่เดือนแล้วก็ตายแล้วแล้วจะเพลิดเพลินแปลวาอะไรกับโรคสงสารอันนี้ตายแล้วเอาอะไรติดตัวไปด้วยละ่ะไม่มีแต่ร่างกายก็ยังทอดทิ้งอยู่พื้นดินสมบัติอื่นแล้วจะเอาไปได้ที่ไหนะ ก็มีอุบายสอนใจเขาทนอย่างนี้เสมอเสมอเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็รุ้รนตั้งแต่ต้องการความสุขเหมือนกันหมดเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมันมีความทุกข์คอยแทรกแตงโยในกายในจิตนี้ อาร่างกายก็โกครคไัยก็เจ็บก็คอยเบียดเบียนอยู่เสมอแค่นี้แหละเดี๋ยวดินผ้าอากาศก็แปรปวนหน้าร้อนมากกร้อนอบ อ, อ้าหาความสบายไม่ได้หน้าหนาวมากกอนหนาวมากถึงจะดูเจ็บป่วยมากกัเจ็บป่วยกัน อยู่นานวันนานเดือนนานปีไปร่างกายกดสุดโทมไปเรื่อยๆถ้า อ, อย่างนี้นะจะให้มันมีความสุขปกติสม่ำเสม อ, สมมอไปได้ยังไงอ่ะนั่นแหละควรพากันพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วจะได้เบื่อหน่ายอต่อความเป็นอยู่ในโลกนี่จะไม่ประมาทเพราะว่าอายุมันน้อยเต็มที จะรีบเร่งกระทําความดีต่างๆเข้าไปตลอดถึงการเจริญสมถะอิปัสสนาดังกล่าวมานั้นเพราะการภาวนาสมาธินี้ได้บุญหลายได้บุบญหลายกว่าการกระทําอย่างอื่นแต่การกระทําข้อวัดปฏิบัติ ถ้าต่างดังกล่าวมานั้นก็ได้บุญกุศลอยู่แต่ว่าไม่ได้มากเหมือนอย่างภาวนาแต่ก็เป็นเครื่องสนับสนุนภาวนาหมายความว่าอย่างนั้นแหละการภาวนาเราละนิวรณ์ห้าอันเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุกุศลคุณงามความดีได้นี่อ่าจิตใจรวมลงสงบลงเป็นหนึ่ง ลงไปอย่างนี้มันก็ได้บุญกุศลมากมายไายกองแล้วทำจิตให้รวมลงไปข้างหนึ่ ง, งเป็นง่านให้เข้าใจดังนั้นเนี่ยเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็พากันสรงสมบุญกุศลให้มากๆเข้าไปให้เต็มความสามารถของตนก่อนที่ความตายจะมาถึงดังแสดงมา